เซขปฏิปาทาธรรมิกถาก่อนฟ้าสางวันที่11มกราคมพศ2547เรื่องชีวิตนี้จิตเป็นผู้นำไปตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยเข้าใจโลกเขาจชีวิตตามี่มันเป็นจริงไม่หลงปฏีราคาโลกไม่หลงปฏีราคาชีวิต จนสจบยอมนี่ๆตรงนั้นก็มาทุกมากุ้นมากัดมากุ้นมากรุนมาเครียดอยู่ตรงนั้นที่เราเครียดเราเราเป็นทุกข์อยู่ทุกวันหนึ่งเพราะเราเห็นแก่ตัวมากเห็นแก่ตัวมากจะไปฟูคอตายนึกว่าตัวเองทุกคนเดียวในโลกตายเสรีกว่าจะอยู่ลเลยเพราะว่าฟูคอตายบนตันั่นคือเกิดมาจะความเห็นแก่ตัวนะครับไม่มีมปัญญาคนโง่ไม่ใช่บัณฑิต น, นี่จบด็อกเตอร์ปืนยิงหัวตัวเอง ต, องตายฟูคอตายตะพื้ ก็อกเตอร์ิบายนงว่า <Okay. S 2> ถ้าเป็นหหลยตัดตัดเตอรออกคงจะเรียกเป็ตัวด็อกตัวมันไปว่าไปา ก, กูว่ดรู้นี่คือยังไม่ได้เป็นบัดีทางพุทธศาสนาเลยยิ่ง น, น, นก็ต้องการศึกษามันต้องมีคุณภาพคือดีมีความสุขแล้วก็เก่งด้วยเอาสามอ่ะนะเก่งดีมีความสุ ข, าสา น, นะสขนี่คือคุณภาพอะไรเป็นเครื่องวัดการศึกษา คุณภาพอันนี้ถ้าเรียกว่าเป็นผลของของกุศลกุศลแปลว่าความฉลาดกุสโลภาวะภาวะที่ฉลาดขึ้นมีอะไรบ้างหนึ่งอารคิดะไม่มีโรคอันนี้เป็นเป็นคุณภาพของกุศลคุณภาพของความรู้ของปัญญากุศลนแปลว่าความฉลาดของเข้าแต่กุสโลภาวะภาวะที่ฉลาด ในข้อที่คิดในกิจที่ทำในะคำที่กล่าวในการดาเนินชีวิตที่ดีงามถูกต้องมันจะต้องโทรเข้นมาก่อ น, นคือหนึ่งอโรขยะไม่มีมโรครองเขียนไว้ดูสิมันไม่โรคเปินปวกมันปวดท้องไหนเลยแถวเนี่ยังไี่เข้าใจโรคมา ถ, ถูกทวีเมพีเวโรขาพิศลายโรคมมีสองหนึ่งกายยิกรโรคโคโรคทางกาย สองเจตสิกาโลโครโรคทางจิต ท, ที่เสียบแทงไว้แต่อย่างนี้ผู้ทุชนคนหมาธรรมดาเกิดมาสิบปีไม่ป่วยก็มีร้อยปีไม่ป่วยก็มีปฏิ ญ, ญาณตัว่าไม่เคยป่วยก็มีจนตายแต่โลกทางจิตเจตสิกาโลโคเกิดทุกคนทั้งกลางวันกลางคืนทุกเมื่อระติณจะที่วาจะมุขตามปร โลคคานังปัจจิอันยตระหิอันะตระคีนะสเวหิคนทั้งหลายปฏิญาณตนว่า ไ, ไม่มีความความไข่ความปวนทางกายเป็นห้าปีสิบปีร้อยปีกว่าเอจนตายแต่ไม่มีใครเลยปุถุชนธมดาจะไม่เกิดโลกทางจิต โ, โรคโลค้าโทสะโมหะเกิดทั้งกลางวันเกิดทั้งกลางคืนเกิดทุกเมื่อนอนหลับอยู่ก็เกิดฝันไปอันะตระ คีนาสวิเว้นเสียจาพกพระคีนาานาศพไอ้คำว่าคีนนาศพนั่นคืออะไรพอกอีกล้วเนยโอ้ยอไปอยอ น, นไปย่อนไปคีนานาไปมสิ้นศพตัวนี้มาจากคำว่าคีนานาไปมสิ้นอาสะวะนี่แหละคือคีนานาศพตัววพธาบริมมาถึงบ้าเรามันไม่ชัดเจนออกเสียงยางต่อแปลงเป็นตัวพจะรู้ไปขีนาศพ ค, คนทนี่ไปขีนนาสวะ พระวิบากขีณาสวัผู้ทรรมอาสวะให้สิ้นแล้วนะคือพ่อลหันอันจตละกขีณาสเวหิเว้นเสียจากพระขีณาสวรผู้ธรมอาสวะให้สิ้นแล้วเท่านั้นจึงจะไม่มีโรคแท้เหาเด้เป็นอย่งนี้เป็นบัจจัยสมบูรัวเนาะปวดท้ อ, ดองไปลงมาพาก็ไปได้ดตลอดเป็นอย่งคนละโลกกันนะคุณภาพของของของสติปัญญาที่ศึกษาเรื่องพระวิตปั ญ, ญโย มีปัญญาที่พัฒนาเลายปัญญามีคุณภาพสี่ประการหนึ่งอโรขยะไม่มีโรคไม่มีอะไรเสียบแทงหัวใจมากสองอวับชะไม่มีโทษทางกายทางบาจาทางใจอยู่ที่ไหนไม่มเบียดเบียนใครใครก็ไ ม, ม่เดืดอดร้อนเพราะเราการกระทำการพูดการคิดของเราไม่มีโทษต่อบ้านต่อเมืองต่อสังคม ตอสภาพแวดล้อมดินฟ้าอากาศต่อโลกทั้งหมดนี่คือคุณภาพของเขารู้ที่เรียกว่าพระวิตปันยอกสามสุขวิปากมีความเป็นอยู่ด้วยความสุขบ่ได้ทุก อ, อ, อย่างอย่างเพื่อ น, นั้นมันมีเงินพอปากโบเห็นว่าสิบถูกกับผู้ใดโบเห็นโมปรวงังทางงานนั้นแต่มันสบายมีความสุขอยู่ร่าเริงอยู่สดชื่นอยู่แต็มสายอยู่ในสิ่งในธรรม ในในในข้อวัดปฏิบัติที่ตัวเองไม่มีโทษมีภัยใครๆสุดท้ายโกกุสละสามภูตะหรือว่าโกสังสามภูตะมีความดํารงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาจู่ทุกเมื่อครบอันนี้คือคุณธรรของการศึกษาที่แท้ของเรานะฝรั่งมันพูดรวบเอาเฉยว่าพวิตตะปัญญของลำบาอินเทร์เตชนโกเรวกวาโลรอดก็โตเขาพลัง ใ, ใหเงี้ยงคี่ได้ กูข้อตาขาดตัวตาลที่สุดขอเราดูสิว่าเราเราพัฒนาหม่ปัญญาของเราที่เรว่าปัญญาศิขาดทิปัญญาศิขาของเราเดี๋ยวนี้เรามีโรคใหม่โรคตัวนี้ภาตาบลีบบบไปว่าเาสียบแทงที่ภาตาบริวาเรเรียกว่าดีซีส์น่ะมันเป็ น, นยังไงกันบ้เขอเราดีบไว่าเสียบแทงอย่างยิ่งเสียบแทงความความเป็นอยู่อย่างยิ่งในใจินในใจ ในนี้ท่านหมายถึงความว่า ม, มีโรคห่างใจพ้มีก็มีน้อยๆแ่วิหลายๆจะได้พาตัดแได่เขาโรงพยาบาลมากแล้วมานั่งอยู่นี่ยิเรียกว่ามามามาลักุโบสถเขาพอกไม่ออกเป็นยังจะว่าอุโบสถอันน่อุ ป, ปะไปว่าเขาไปโอสถไปบยาเขาไปยาเขามะปวเจ้าของนึ่งมั่งเจ้าของมานั่งสลัป็นงะปวเจ้าของหนึ่งพัทลาว่าปว พาสาไทย่าไปรักษาเข้าไปเยียวยารักษายาจะมีสองความหมายยาหนึ่งเป็นชื่อคํานามเป็นนามศัพท์หมายถึงการเยียวยารักษาพทย์ยาวพยาบาลยาเจ็บไขย้ยาสองเป็นคํากิริยาแปลว่าประสานอะไรที่มันมันมีรอยด้วงรอยลาวเอาไปยาเอาไปยาหรือเ่าื่อหัวยาเครือ ขวดรั่วแก้วรั่วขันรั่วโอหัวยาโอยาเรือยาแผยาขั้นนอกยาขันยาจอกยาข้างในยาจิตยาใจยาทั้งข้างในยาทั้งข้างนอกมันไม่ใช่ขันไม่ใช่จอกไม่ใช่เรือไม่ใช่แผล้อมาลงบุกต้องมารักษาโบสถอุปะไม่ว่าเขาไปโอสถเป็นไปยาเขาไปยาบอกภาษาย่งหนึ่งคือมาแรงหนึ่งแท้ปุ๊บเรือตัวเด็กเรือเลย เอาดูดีสักคนเป็นเจลแล้วดูดีนะหรว่าตาฝา่นวองกวาแล้วบอกยัอีกเท่าไหรน้เสารสอบอีกสอบเอกสอบอสามนึกในการศึกษาทุกเมื่อสิคิดตะพังในขณะที่ตาเห็นในขณะที่หูได้ยินในขณะที่ลิ้นได้รสในขณะที่จมูกได้กลิ่นในขณะที่กายได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็ง ในขณะที่จิตคิดขึ้นมาเซลอารมณ์ดีอารมณ์อารมณ์รณ้ายพอใจไม่พอใจเวทนาเหล่านั้นต้องสอบว่าเรายินดีไหมเรายินร้ายไหมระวางใจไว้กลางๆได้ไหมเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ไหมนี่เป็นหัวใจของการศึกษาสํานึกในการศึกษาคือหัวใจของการศึกษาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไปให้มันจําหรอกครับให้เข้าใจแล้วก็สำนึกอยู่ตรงความคิดเกิดขึ้นกลางคืน ก็ต้องมาอ่านกลาคืนอ่านหนังสือมันได้เต้นจุดไฟนะครับเม่นบอกขครจอ่านต้องวอจุดไฟไวนอนเฮงูแต่ความคิดมันได้ไต่ไฟอยู่หมด้เออหรือว่าใครมาอเอาเอาไฟฉายมาไว้ข้างๆเวลาคิดกัางคืนมันจะไม่เห็นคิดไปบานพูดก็ไปเห็นเปิดคิดไปหนาหน า, หาพูดอะไก็เห็นหเห็นหัวก้เขาพ่นเฮุ้ดูผ่าดีขึ้นไปนันต้องอ่านนะครับต้องอ่าน มันคิดปับปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะโอ้นี่มันคิดไม่ใช่เราคิดฝังเลยคิดนะความคิดกับการรู้ว่าคิดมันคนละชนกันคนละอันกันไม่อะไรดีกว่นี้ในขณะที่เราคิดเราจะไม่รู้ว่าเราคิดด้วยซ้าไปแต่ในขณะที่เรารู้ว่าเรากำลังจะคิดด้วยอะไรความคิดมันคิดไม่ออก พราะตัวนี้มันถูกล็อกถูกตัดตอนเอาคืนมามารู้ว่ามันคิดมันจะตัดตอนเป็นท่อนเป็นท่อนก็จะเห็นแต่มันเกิดขึ้นพอเรารู้ว่ามันกร ะ, ดะเดาใจห็นมันดับไปตอนนี้เป็ปริญญานะครับเอ า, เอ า, เอาปริญญาซะก่อนเอาใครจะได้ปริญญานิสิทธิ์ของเราของเจริญมาแล้วนะปริญญาสามต้องทำในชั้นโถว่าไปชี้เจดออกของบอดดามาทํายนาง ท, ทําทีของบอได้สอนของเขาอยู่เท่านึงบอได้เศร้า ประเด็นทางคงเราเ ร, รียนรู้สึกปริญาสามคือการรู้ให้ยิ่งหนึ่งยาตาปริญญากําหนดรู้อย่างเดียวพออยาเราเราเรามานั่งสมาธิหย่งเมื่อความคิดเกิดขึ้นเรารู้ว่าเมื่อคิดจบนี่นี่ถ้าเราทำทำปริญญาปริญญาตรีของเราเรียนจากข้างในออกข้างนอกเจาะท่องกว้างอ้อกว้างออกกว้างออก แต่ถาเราเราไเรียนอยู่ขางนอกมันมันเอาจากข้างนอกเข้ามามันจะดูแต่ทางกว้างเข้ามามุมมุมแคบเดี๋ยวปริญญาตีเรียนสเปะ ส, ป, ส ป, ปะจับโน่นจับนี่มาพอพอเห็นรูปแผนทัพพอเห็นโครงสร้างนี้หน่อยสเ ป, ปะสปะไปพอปริญญาโทรมีแค่ก็ไม่เจาะลงไปอีกทำวิทยาในฝในเรื่องในเรื่องนั้นนั้นพอถึงปริญญาเอกเจาะลงไปอีกทำงานเฉพาะตจะเรืว่าด็อกเตอร์ ไม่ไม่เป็พวเราเนะแต่เขาเราไม่อย live ่างนั้นขอเราไม่อย่างนั้นเพียตาญาตาปริญญาเนี่ยมันยิ่งกว่าด็อกเตอร์แหละกําหนดรู้อย่างเดียวไม่ต้องมากไม่โดนเอาสเปกต์ปากแกคิดมาฉันรู้แกได้ยินเสียมาฉันรู้อ่ะได้ยินในมหาสศิปัะธานได้ถือเห็นไหม้ามันมันไม่ทันเมื่อได้ยินเสียงทำมันจะโสตันจะทำมันจะประชานริ รู้จักหูด้วยรู้จักเสียงด้วยคนณอ่ะเมื่อได้ได้กินได้ได้กิ น, กนขานันจะทํามันจะประชานนิดรู้จักใมูงด้วยรู้จักกินด้วยเพื่อจะตัดตอนข่าตัดตอนของมันถ้าจะว่าเรานั่งอยู่เราได้ยินเสียงถ้ามันกําหน่มมันรูไม่รู้ทันก็รู้มาู้ ห, หูนี่ตัวหูอยู่นี้เสียงอยู่โน่นคือพอจะบอกว่าใบหูผีพีเจ้าของอย่างไรเอ๊ะเมื่อเห็นหน้าขา ว, ขาว คมยาวๆปากแรงๆคิ้วกุ้งรู้ตาด้วยติ้งตาาหนึ่งเป็นตัวเห็นแล้วก็รู้ว่ามันเห็นาาด้วยรู้ว่าตาด้มันเห็นด้วยโสตันจะจะคุณจะโสตันจะทำมันจะประชันรู้จักหู ด, ด้วยรู้จักตาด้วยรู้จักทาด้วยทว่าในเราไม่ได้เราไม่ได้สวดกันเรื่องมหาเศรษฐฐานสวดพระทำไมโบราณสวดได้แต่มืนเนอเดินไปมารู้เรื่องเหมือนกันจะมีปะเป็นซีดีเหมือนกันสตวัพระโบราณพระ สมัวโบราณทาไหมทํามาจากสมัยมหาสมัยจะสูงเออมาทำไหมทำมาจากทำมาจากกับพันธุ์สูเออมาทำมาจากซุดแต่ไ่ได้แปลงเพราะจังผู้ฟังก็ฟังนอกไปโดยบุญแต่อาจจะไม่ได้ปริญญาอะไรญาตะปริญญากําหนดรู้ซะก่อนมันคิดก็รู้ว่ามันคิดเมื่ต้องสอมไม่ต้องไม่ต้องถามต่อไปมันคิดเรื่องอะไรมันคิดดีหรือมันคิดชั่วคิดดีหรือคิดอนาคตไม่ต้องสนใจตอนนี้เราจะทําปริญญาตียาตะอย่างเรียวพอง รู้อย่างเดียวพอคิดปั๊บก็รู้ปั๊บมันก็ดับปั๊บมันจะไอห้องมันจะอายเป็นอยู่ได้บ่อยไรเงี้ยเรนนี่ไงง่ายหนึ่งยิ่สมัยคิดว่ามันจะไกลรู้จอยู่ใกล้ๆเพิยงแต่ว่าเรานั่งนั่งคอยให้มันคิดมันคิดมันรู้ก็นจริงๆคือคือคือพุทาวานแหนม่ไงไปหางแหด่าไปตาแดบไปโลโลกถานปาวดคยบอกไว้ไงมันบ่อยบุญมันก็วานแหนสุของมันก็ได้บอคอยไง ราดูมันคิดมันมันต vale. <c oughs> ้องดูปาผกปาผกจะเอาแหย่ทอดไปมันมันหุงคนคิดปั๊บเราก็รู้ปั๊บคือมันวานแหย่เสียปาเนี่ยมันก็รีบหยุดมันคิดไปไม่ได้เพราะเรามารู้มันก่อนหยุดปั๊บเขาก็เศาหงมาคิดอีกเลยไม่ได้เศร้าไม่ได้เศร้าเลยมันคิดอีกก็รู้อีกคิดอีกก็รู้อีกคิดอีกก็รู้อีกนานๆเข้ามันคิดไม่ทันเรารู้ก่อนมัน ความรู้มันจะแซงหน้าพอหยุดแจ้งจะคิดทัางนี้ก็ยุดแจงจะรู้มันก็หยุดจึกเรื่องหน้ากันตัวนี้ยาต่อปริญญาเมื่อดูห้องทีเข้าทีเข้ า, ข า, ขาเห็นมันเกิดขึ้นแล้วเห็นมันดับตัวนี้เห็นแต่กอตอนแรกๆจะเห็นแต่มันเกิดโอ้เกิดแล้วคนคิดเกิดแล้วมันใช่เราเราคิดพอเราจ้องโดนแต่เห็นมันดับด้วยตัวนี้เป็นปริญญาโทแล้วเป็นตีีรณาปริญญาแล้วโอ้เกิดขึ้นแล้วก็ดับหน้องเกิดขึ้นแล้วก็ดับหน้องก็เกิดดับก็ดดับมันเป็นอย่างคู่กัน เ ป, เ, เป็นเ อ, เ อ, อคู่แทเลยเป็นเนืลอว่าคู่แท้จริงๆถ้าหลานจะถึงนี่เลยเหมเนืคู่บอกถ้าเห็นความเกิดความดับพิขุปั ญ, ญาวาโหติอุยาทยัติคาหมริยาอริยายะปัญญายะสมณาคาโตนี่เพริกายะสมณทุกขะไ า, ามริยาพิสุผู้ประกอบอยู่ด้วยปัญญาเห็นอยู่ซึ่งความเกิดดับอันเสิดเช่นนี้เป็นปัญญาแห่งอริยเจ้าอย่างนี้ เธอย่อมชำแรกะกิเลสไประสูความสิ้นทุกโดยชอบเอโสสังโฆนั่นแหละคือสงเอโสสังโฆอนยัสาละอญญาสิเอสสังโฆเหคะสันอนยสัสิเอสสังโฆตะจะอญญาสินั้นแหละคือสงที่เป็นนาโครู้แก่น นั่นแหละคือสองที่เป็นยาคูรู้เปลือกนั่นแหละคือสองที่เป็นยาคูผู้รู้กับพีคนน่ะํานี้ก็เลยเป็นยี่คู่เลยเลยพ่อแม่ออก็เป็นน้ำขันหงอจริง่วบวชบวชหาอุป ช, ชาไส้หรอคอยเดืออุป ช, ชาหายยืดยืดไงหัวในบอกคิดตัวคิดกันชั่วหน่งกั น, นกไรกันขึ้นก็คิดไปก็ว่งก็คิดเป็ น, น, น, น, น, นอะไรเราจะทําความเป็นได้ติดต่อทุกเมื่อ ยืนก็คิดเป็นนั่งก็คิดเป็นนอนก็คิดเป็นนั่งค้าคึ้หางก็คิดเป็นนอนงตะแคงก็คิดเป็นเมื่อได้ใต้ไฟให้มันดอกมันให้นุ่มโยตัวรู้ก็เมือนกันต้องรู้จากมันอ่านมันให้ออกที่จะบอกมันได้เมื่อเลยรู้เข้าใจแัดมันดับตอนนี้มันเกิดดับเกิดดับกระดาษเห็นเข้าก็เป็นปริญาโทเรียกว่าเรียกว่าตีรณปริญญารู้จนพิจารณาเห็นว่ามันเกิดมันดับต่อมามันจะคิดไม่ได้ ไม่ใอ่ผมพูดเอาเองนะท่านจะเห็นถ้าท่านทําตามผมเห็นแล้วจะรู้ว่าโอ้มันคือเป่เป็นก็มีตัวไหนเมื่อัวกะมีตัวไหนซึ้ือือซึืออยู่คือผีบาทน่ยงงอคือม่นคืดนอกไปเนี่ยบางทีก็สองวันสาวันสี่วันหวันสิบวันเป็นเดือนเป็นปีก็เอก็ไปถึงตอนนี้จะเห็นมันซึบือตึงเป๊ะอยู่ในหัวเนี่อยู่กับปัจจุบันเน่ยไม่มีอดีตไม่มีอนาคตดอกไม่มีสัญญาอดไจะมาจับไม่ไม่มีการยึดบันทึมันในสัญญาสังหารทธารก็ปรุงไมาได้ ก็ยืนไปอุเบขาสัมโพชชนโพชทองคเจ็ดเป็นตัวการเครื่องมือตัดธรุที่ว่าโพชอังคะองค์แห่งการตัดธรุภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า The Seven Factor of i n e l i g e n c e อุปกรณ์แห่งการตัดธรุเจ็ประการอันนี้ไปทำจะเป็นเหตุให้ผมเหนื่อยไปแสดงทา่อยู่วอชิตันดีซีให้โยมมาแปลมันเปย์บุหรีกัน เพราะว่าเซเว่นโฟกว่าพราะังก็ว่าหุจักมาเราเลยบอกว่าแปลไหมมันแปลไม่ถูกมันไม่ตรงก็จะตุแปลอย่างงี้นะบอกเขากระตุ้นอย่างงี้นะฟรังได้ยินบอกบราโววิเศษที่สุอาการเที่เองมันตุ้นแปลคู้อื่นแปลสิเวลาของบอกเขาใจมก็เลยมานักของกบานต่อไปฮาวส์ตอร์ฮวไอตัวเพื่อสื่อเลยเมื่อเมื่อเรารู้ว่าทันมากมาก มันมันต้องคิดเลยที่มันคิดไม่ได้ตัวนี้มันดับก็เรียกว่าปหานะปริญญาแม่นจะบอกหน่อยทีเฮ็ยมันทาทุกอย่ารู้จนข้ามันทิ้งไปหานมันซะกิเลกก็เกิดมาได้เอเทสาตันหาปัจจนาตันหาปัจจเตเอเทสากิเลสสาปัะสมานากิเลสสาปัะจเเมื่อกิเลสตันหาจะเกิดขึ้นก็เกิดตรงนี้มันจะดับก็ดับตรงนี้เพิดมา มันจะเกิดเกิดขึ้นตรงที่ตาเห็นมันจะเกิดขึ้นตรงที่หูได้ยินมันจะเกิดขึ้นตรงที่จิตแต่มันคิดก็มาป่ามันตรงนี้เอเตเอเตสาตันหาปัญญาบานาตันหาปัญญติเอเตสากิเลสาปหาสมนากิเลสาปหาเจติเมื่อจะฆ่ากิเลตเมื่อจะละตันหาก็ละตรงนี้เพราะมันเกิดตรงนี้นี่คือปริญญา นี่คือการตรวจสอบ e x p l a n a t i o เ c h e c อ a เบลานต n ออฟอินดิเคชันตักเรียนนิสิตนศึกษาวันนี้สอบตลอดสอบตอนเช้าไม่ได้สอบภาคเย็นแต่ภาคเย็นไปภาคเรียนต่อศึกษาต่อภาคไปตักอาหารก็ไปภาคสอบนะสอบดูในบาตรดีไนะพอดีไหมวันนี้น่าจะพอดีวันแรกน่าจะเหลือบาตรมากเพราะยังปรัาไม่ไม่ถง คิดเพิ่มขึ้ามันสวย ม, มันมันสายด้วยผมก็อนุโมทานาไปเกิดซุ่งสเอกหมองท่านก็จะหิวเวลาตักก็ว่าจ ะ, หจะให้นพอดีอะไอยาเอาเลกหน่อยขึ้นจะกัดกันเล็กหน่อยขึ้นิแสมหิวตักไรแต่ก็เริ่มรนบาตแต่เมื่อวานนี้อาจจะไม่ขอหลบบับเป็มที่สิบบ้ามือมือซื้อหนึ่งกินไปหมไปมือเชียพอดีพอดีคนหน่อยได้บัตรบอกพอ่อเมืเ่อไปไล่กำลังสอบตกไม่เป็นไรได้ไมันเป็นไรมาสอบใหม่วันนี้พอดีเป๊ะ แม่นบอกเมื่อใดยุดตาตาได้เมือนรเรื่องน้สอบตกอ้ผ้าสองอย่าง น, นีงน่าจะไม่ตกนอต้องเป็นแต่หักต่หั ก, กลูกหลานดีเวอรสทุกคนสมควรแก่เวลาตรวจสอบไตสีขาด้วยภาวนาสิและวก็วัดผลด้วยปริญญาว่าเราจะสอบได้ไหมเราจะจบปริญญาไหนวันนี้อย่างน้อยที่สขอให้ได้ยาตัปริญญากํานรู้อยาขี้เกียจ เวลาคิดเวลาได้ยินเวลาได้เห็นเวลาได้สัมผัสเวลาอารมณ์ได้ไมาคิดขึ้นมาความรู้สึกคิดขึ้นมาให้รู้รีบรู้ไวๆนั่นเป็นการสอบเอาผลยาตปริญญาถ้าผู้ใดเห็นความรู้กเกิดขึ้นทีขึ้นจะเห็นควา ม, วามเกิดความดับของความคิดเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับผู้นั้นได้ปริจาโทตีะนะระปริญญา รู้ด้วยด้วยการพิจารณาจนรู้จนเกิดการพิจารณาเป็นเห็นของเกิความดับแต่ถ้าผู้ใดไวกว่าเพื่อนเห็นเกิดเห็นดับจนไม่มีความหมายอะไรจนเฉยคิดก็เหมือนไม่ได้คิดอะไรได้ยินก็เหมือนไม่ได้ยินอะไรเหมือนไม่ได้ฟังเห็นก็เหมือนไม่ได้ไม่ได้เห็นอะไรเพรไม่ได้ดวงผู้นั้นจะเฉยอยู่ในอารมณ์ อารมณ์ทางทั้งทุกอย่างรูปเสียงกินรสสัมผัสจะไหลผ่านไหลผ่านเหมือนสายลมพัดเบาๆผ่านยอดไมช้ชายเขาแล้วพวกนั้นแหละคือคือปะหานนะประิญญาได้ปะหารกิเลสบางส่วนไปแล้วไม่อวัว่นไหวตัวโลกก็ทำไปแล้วก็คือปริญญาเอกบางคนไปนะไม่ใช่ง่ายนะไม่ไม่ใช่ไม่มีนะบางคนอาจจะมีวาสนากระถาในการที่สั่งสมมาพอสมควรอาจจะชนานาญในด้านนี้ได้ง่าย วันนี้สมควรก็บเวลานอสอบก็สอบมาได้มาแล้วได้ก็คงจะได้มาแล้วตกก็คงจะตกมาแล้วตรวจสอบกันอสอสมควรจึงข อ, อยุติลมด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความจเจริญ ง, งองงามในอริยะยะธรรม ท, า, ทาอันประเสริฐจะนำออกประเสริฐจากความทุกข์ในวัฏสงสารนี้จงบังเกิดมีแก่พวกเราทั้งหลายด้วยเศคปฏิปทานี้ ลมหายใจอบริสุทธิ์งดงามแห่งเซกับปฏิปทาจงเกื้อกูลต่อสภาวะทางหลายทั้งปวงโดยรอบบริเวณรอบๆนี้ทั้งเทพเจ้าเหล่าเทวาเทพเจ้าเหล่ามนุษย์ปวงสรพพสัตว์ทางหลายจนได้รับผลบุญกุศลที่เราในมรรคกับผู้ปฏิบัติอยู่ในขณะนี้บรรยากาศแห่งลมหายใจอบริสุทธิ์แห่งเซกับปฏิปทานนี้จะหุ้มห่ออบอุ้มคุ้มคลองสรรพสัตสัพพะิงทางหลาย ให้สงบงามเย็นเยนป็นสุขด้วยอนนามแห่งธรรมนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนทุกลูกทุกองค์เทอ